นี่เท่าไหรทั้งหมดสามสิบสามเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอีกวะเออเอาเน่อให้มั่นคงตัดสินใจมาบวชนุ่งขาวห่มขาวโกนผมโกนคิ้วแล้วอย่าไปถอยหลังเน้อผู้ดใดก็ดี เอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยตายกับผ้าขาวนี่แหละว่างั้นแต่ว่าสมัยนี้การบวชเป็นนางพิสุนีมันไม่มีแล้วเพราะว่าขา้าพ เ, เจ้าวางระเบียบไว้ต้องบวชโ ด, ดยสงฆ์สองฝ่ายนูน่น มันในภิกษุน้สงไม่มีเพราะฉะนั้นจึงบวชผู้หญิงนี่บวชเป็นนาสุนีไม่ได้นั่นเองพระพรุทธเจ้าตรัสด้วยว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นชื่อว่าเห็นเราตถาคตอันนี้พากันจับ หลักอันนี้ไว้แลว้วไปนิชัยที่พระ อ, องค์เจ้าทงตรัสไว้อย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าเพราะองค์จะได้มีพระชนมชีพอยู่กับพุทธบริษัทไปตลอดกาลนานไม่ได้อันส่วนธรรมะที่พระ อ, องค์เจ้าแนะนำสั่งสอนนั้นนะมันสามารถประดิษฐานอยู่ในจิตใจ ของคนเราได้ที่พระองค์เจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตหมายว่าหมายความว่าเห็นธรรมที่สิ้นไปแห่งกิเลตัณหานั่นแหละในใจของใครของเราอะเช่นในใจ เ, นเห็นว่า ใจไม่มีไม่มีราคะอย่างนี้นะแล้วก็ชื่อว่าเห็นทำอันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงลระราคะออกจากพระไทของพระองค์ถ้าผูดด้ใดละราคะออกจากกิจใจได้ผู้นั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าหมายเขาไวาอย่างนั้นพระองค์ละโทสะออกจากพระไทได้หมดนี่ อันนั้นถ้าผู้ใดละความโกรธหรือโทสะพยาบาทแม่ไม่หมดให้เบาบางลงไปอย่างนี้ก็จะได้เชื่อมั่นในใจว่าโอ้พระพุทธ เ, เจ้าพระองค์จะเป็นที่เคารพนับถือของมนุษย์เซวดาทาั้งหลายเพราะพระองค์ละความโกรธได้โดยสิ้นเชิงถ้าเราละความโกรธนี้ได้โดยสิ้นเชิง เราก็จะต้องเป็นที่เคารพ น, นับถือของคนอื่นได้อย่างนั้นเนี่ยเมื่อเห็นอย่างนี้นะ้วมันก็เป็นเหตุให้เรารู้ถึกอยู่ในใจว่าพระคุณของพระเจ้าอยู่ในใจของตอนนี้เนี่ยพระคุณเหน่งประธรรมก็อยู่ในใจนี่เพราะอาศัยทมคาสอนพระเจ้า เราจึงบรนเทาราคะบรรเทาโทสะบรรเทาโมหะลงได้ผู้ใดพยายามกำจัดความหลงออกจากจิตใจของตนให้ได้ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้เห็นพระพุทธเจ้าว่โอ้พระพุทธเจ้าพระองค์ละความหลง ออกจากกิจใจนี้จึงได้เป็นพระพุทธเจ้านี่นะเมื่อพระ อ, องค์ละกิเลสเหล่านั้นออกจากภัยหมดสิ้นไปได้แล้วก็ทรงสั่งสอนผู้อื่นให้ละกิเลสนั้นตามพระ อ, องค์ได้พระ อ, องค์ไม่ได้หวงธรรมะมพระ อ, องค์ยิ่งมีความปรารถนา ให้ผู้เริ่มใส่นับถือพระองค์นั้นละกิเลสตัณหนา ห, หมดไปได้พระองค์ยิ่งยินดีามากเพราะฉะนั้นให้พากันให้พากันเพียรพยายามละความหลงออกเกียกจากกิจใจให้ได้ หลงอะไรหลงลูกหลงน้ำนี่เองหลงขันห้านี่แหละโดยสำคัญว่าขันห้านี่เป็นตัวตนของตนจึงได้เกิดความกำหนัดยินดีในขันห้านี้แต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ของตนมันแต่เพียงว่าเรือนร่างที่อาศัยของขิด อยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองอาศัยบุญกุศลหนหลังน่นตามตกแต่งให้เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นแล้วก็ตามรักษาไม่ให้แตกไม่ให้ดับไปก่อนด้วยอำนาจแห่งบุญบา ร, รมีที่สร้างมาแต่ก่อนหนหลังมีมากน้อยเท่าใดก็ทำให้ขันธ์ห้าหรือร่างกายอันนี้ มีอายุอยู่ไปได้เท่านั้นแหละหมดบุญหมดวาสนาลงแล้วก็วต้องตายต้องแตกทำลายลงไปดังนั้นเราจะมาโมเมถือว่าเป็นของเราว่าเราสวยเรางามเราขี้ร้ายขี้เลวอะไรต่ออะไรเราขาวเราดำ อย่างนี้มนจะไปสําคัญเลยไปสําคัญอะไระรูปนี้บุญกรรมมันตกแตง่งบาปกรรมมันตกแตง่งกับกรรมนรู้อย่างนี้สักเราทำกรรมดีกรรมชั่วมาแต่ก่อนอย่างไรกรรมดีกรรมชั่วนั้นก็มมตกแต่งรูปกายนี่ให้อย่างนี้แหละบุญกรรมมันไม่ใช่เกิดเองเป็นเอง จิตดวงนี้ถ้ะสร้างมันขึ้นมาแต่ก่อนก็ดีอย่าง น, นี้เมื่อจิตสร้างกรรมดีกรรมชัว่วข้ามาแล้วกรรมดีกรรมชั่วก็นำจิตไปเกิดในภพในชาติต่ตอไปไปอย่างนี้เลยไปตกแต่งร่างกายอันนี้ให้ดวงขีดได้อาศัยอาศัยธาตุของมันดากบิดาผสมกันเข้ามีบุญกุศลเป็นเครื่องตกแต่ง พอเกิดเป็นในตุ่มเป็นน้ำใสๆขึ้นมาพอจะเกิดเป็นาธาตุขึ้นมาคือาธาตุอันนั้นมันกัน่นมันรวมกันเข้าแล้วเป็นรูปกลมๆขึ้นมาอย่างนี้ล้าดวงจิตก็มาอาศัยแล้วอย่างนี้แต่ในบาลีจำไม่ได้ไม่ทราบว่า ห, หมายเอาอะไร จิตวิญญาณมาอาศัยอยู่ในรูปนี่แล้วและวันนี้บุญกรรมมันก็แต่งรูปนี่ให้ค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นใหญ่ขึ้นมาโดยลำดับจึงแตกเป็นสาขาออกไปมีแขนมีขามีศีรษะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีอวัยวะน้อยใหญ่ต่าง ตามธรรมชาติของมนุษย์อันนี้มันก็เป็นธรรมชาติอันนึงืงเรียกว่าบุญกรรมตกแต่งธาตุสีน้ำไฟลมนี่ให้มีรูปลักษณะอาการเรียกว่าให้ใช้การได้มีมืมอก็สำหรับใช้งานจับโน้นจับนี้ ม, มีเท้าก็สำหรับเดิน เคินไปมามีตาก็สำหรับมองดูวัตถุต่างๆมีหูก็สำหรับฟังเสียงต่างๆมีจมูกก็สำหรับมีไว้สาหรับดมกลิ่นต่างๆมีลิ้นก็ไว้สำหรับรับรสอาหารต่างๆมีร่างกายอันนี้มาแล้วก็มันก็ต้องได้รับความกระทบกระเทือนจาก ภายนอกเรียกว่าสัมผัสเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างธรรมชาติคือบุญและบาปหักตกแต่งธาตุของมาดาบิดาให้เจริญขึ้นจนเป็นรูปเป็นร่างได้นามว่าคนหรือมนุษย์อย่างนี้นะก็คลอดออกมา คลอดออกมาแล้วบุญกรรมนั่นก็ตามรักษาผู้ใดมีกรรมมีเวนตามมาทันบางรายก็เลยตายอยู่ในท้องก็มีบางรายคลอดออกมาแล้วไม่กี่ชั่วโมงตายก็มีอันนั้นเรียกว่ามีกรรมมีเวนตามมาตัดรอนเอาทําให้มีชีวิตอยู่ยั่งยืนนานไปไม่ได้ ไอ้ที่ผู้ที่มีชีวิตมาโดยลำดับได้เจริญขึ้นมาได้โดยลำดับนี่แสดงว่าไม่มีกรรมเวรอันรุนแรงมาตัดรอนชีวิตจึงมีอายุยั่งยืนานานมาได้ปานนี้เราก็ต้องพิจารณาให้มันเห็นทั้งคุณทั้งโทษอันร่างกายอันนี้นะจะไปเห็นแต่โทษมันโดยส่วนเดียวก็ไม่ถูก ต้องเห็นคุณของมันด้วยเป็นอย่างนั้นคุณของมันก็อย่างนี้แหละดวงกิตดวงนี้ได้มาอาศัยร่างอันนี้แล้วก็ได้อาศัยร่างอันนี้แหละทำความเพียรพยายามละทั่วทำดีให้เจริญงอกงามขึ้นในดวงกิดนี้ ดวงจิตนี่ถ้าไม่ได้อาศัยร่างอันเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่สามารถที่จะทำความดีอะไรให้เจริญขึ้นในจิตได้นี่คุณของร่างกายอันนี้นะนั่นแหละเมื่อบุคคลใดมารู้จักว่าร่างกายในมีคุณต่อตอนแล้วเช่นนี้ก็จะไปนิ่งนอนใจอาศัย ตั้งแต่ร่างกายอันนี้อยู่เปล่าๆไม่สร้างกุศลความดีให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปก็ก็ได้เสวยแต่ผลบุญของเก่าอยู่เท่านั้นเองเมื่อหมดบุญเก่าแล้วจิตวิญญาณในกะละจากร่างอันนี้ออกไปแล้วบุญใหม่ไม่มีก็ตกทุกข์ได้ยากลาบากแล้วดวงจิตเนี่ยหาที่เกิดมาได้แล้วไม่มีบุญจะไปเกิดกับคนก็ไม่ได้ จะไปเกิดเป็นเทว ร, ราชก็ไม่ได้แม้จะไปเกิดกับสาเดชานก็ยากนะไม่มีบุญเนี่ยไม่มีบุญนี่มันก็มีบาปแหละคุยง่ายบาปก็ฉุดไปสู่นรกเท่านั้นเองดังนั้นรพระพุทธเจ้าจึงทูลแก่พระเจ้าพระเ ศ, ศีนิโกศน์ที่ทูลถามว่าอาปุตตะกาศเจถีนั่นนะ เขาไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรเลยตั้งแต่เกิดมามีทรัพย์สมบัติตั้งสี่สิบโกดเมื่อเขาตายไปแล้วเขาไปเกิดที่ไหนหนอพระเจ้าข้าเนี่ยพระองค์ตรัสว่าเขาไปตกมหาโรดวะนนกนูนว่างั้นเพราะเขาไม่มีบุญอะไรจะรองรับชีวิตปิญญาณของเขาให้ไปเกิดที่สุขสบายไม่มีเลยอย่างนี้ แล้วเมื่อไรเขาถึงจะพ้นพระองค์ก็ทูลว่าไม่มีกำหนดเลยไม่ทราบเมื่อไรเขาถึงจะพ้นได้เพราะว่าบุญติดตัวของเขาไปน้อยหนึ่งก็ไม่มีเลยก็แสดงว่าคนเรานี่ยนะดวงิีตดวงนี้แหละหมายเขาว่า่างั้นแหละถ้าไม่มีบุญติดตามแล้วนี่ หากว่าไปตกนรกนะไม่มีวันจะผโผล่ขึ้นมาได้เลยนะไม่มีวันจะพ้นเลยเอสแสดงว่าไอ้พวกที่ไปตกนรกแล้นี่มันพ้นมาได้นี่เพราะตั้งแต่เป็นมนุษย์นี่ได้ทําบุญไว้บ้างไม่ใช่ได้ทําบาปแต่อย่างเดียวนะบุญก็ทําอย่างนี้แหลอะอย่างคนไปตกเบ็ดอย่างนี้ใน งานทำบุญสลากก็พัาดหมดทำบุญอะไรก็ตามเนี่ยเอาไปตกเว็ดก็เออขอให้ได้ปลาตัวใหญ่ใหญ่ให้ได้หลายๆจะได้เอาไปทำบุญเลี้ยงพระเลี้ยงผู้เลี้ยงคนนะนนอย่างนี้นะเขาเราถือว่าการทำบาปอย่างนั้นไม่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะ อ, อ่ แล้วเมื่อเขาได้ปลามาแล้วเอาก็มาต้มมาแกงแล้วก็ไปถวายพระอย่างนี้นะเขาก็ถือว่าเขาได้ทําบุญอย่างนี้นะก็จิงยุบเป็นบุญของเขานันเลยแต่ว่าส่วนที่เขาฆ่าสัตว์นั่นนหะมันก็เป็นบาปผิดตัวไปอีกแล้วอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไปตกนรกเขาก็ทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนานแสนานานไปเมื่อ กบาปกรรมมันนั้นมันเบาบางขึ้นมาแล้ววะนี่บุญที่มีอยู่นั้นมันก็ช่วยวะนี้ช่วยพ้นนรกเร็วขึ้นประกอบกับญาติพี่น้องทําบุญกุศลแล้วอุทิศไปให้บ้างอย่างนี้เขาเรียกว่าผ่อนหนักให้เป็นเบานี่การที่บุคคลตกนรกแล้วจะได้พ้นจากนรกนะกเพราะอาศัยบุญกุศลนี่เอง ก็ขอให้พากันเข้าใจดังนั้นน่ะท่านผู้ใดยังไม่สามารถจะละบาปบางที่งบางอย่างได้อย่างนี้ก็ขอให้ทําบุญไปแล้วน่ะ บ, บุญจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ถ้าผูใ้ใดมีสติมีปัญญาสามารถละบาปต่างๆได้แล้วก็ขอให้ละไปเถิด อย่าไปลั่งร้อเลยอย่าไปอ้างการอ้างเวลาอย่าไปอ้างอุปสรรคขัดข้องอะไรเลยละบาปความชั่วทั้งหลายได้เสร็จแล้วจิตใจมันก็สูงขึ้นในบันนี้นะเออพูดโดยรวมรัาดว่าอุคคลทำบาปนี่มันขาดเมตตาธรรมกรุณาธรรม เป็นเพลงนั้นเมื่อจิตไม่มีเมตตาปารธนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นถูกขั้วหน้ากันแล้วอย่างนี้มันก็ไปเที่ยวเบียดเบียนชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของมนุษย์ทั้งหลายอือย่างนี้แหละเบียดเบียนคนที่ตนรักตนพอใจต่างๆ จะเป็นเมียเขาก็ตามผัวเขาก็ช่างตีสนิทสนมเข้าไปอืเพื่อให้ตนได้ชมเชยสมความประสงค์จะเป็นบาปเป็นกรรมก็ไม่รู้ไม่สนเลยเรื่องนั้น่การกล่าววาจาก็ไม่นึกถึงบาปถึงโทษก็แต่คิดได้อย่างไรก็ว่ากันไปเรื่อยจะเป็นเรื่องโคหกก็ไม่สน อ้าวโกหกก็โกหกไปอ้าวเป็นเป็นเรื่องจริงก็จริงไปคนที่ไม่มีศีลมีสัตว์ก็เป็นอย่างนี้เลยการกล่าววาจานั้นก็ไม่สม่ำเสมอไม่ตั้งอยู่ในสัมมาวาจาสม่ำเสมอไปได้เดียวก็เผลอพูดไปในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็ให้เกิดบาปทางวาจาขึ้นมาแต่ก็ออกมาจากใจนั่นเองเลยวาจาก็ดี ใจนั้นเสังวาจาจึงพูดได้ถ้าใจไม่สัง่งเราพูดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อกิตไม่ดีเสียแล้ววาจามันก็ไม่ดี ม, ม, ดมันก็ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะวาจาอันหยาบโลนของผู้นั้นออการ เดิมเล้าเมาสรากัชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆหมดนี่เมื่อมันมึนเมามาแล้วมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครแม้แต่พ่อแม่ก็ยังฆ่าได้เพราะนั้นอย่าจะไปเข้าใจว่าเอ้ยเราดื่มมึนเมาแล้วไม่ได้ทำอะไรใครไม่ได้เบียดเบียนใครมันจะเป็นบาปอะไรหว่าเออ ยงยเมาไปถ้าไม่มีคนมากระทบกระทั่งมันก็เมาไปตามเรื่องริงหละแต่แล้วนี่ตนเมาแล้วก็ไปหาคนหมู่มากสิวะ น, นี้นะอ้ไปนอนอยู่คนเดียวเท่กัยังชั่วน้อยบาปก็ไม่หลายอันนี้มันอยู่ไม่ได้คนเมาเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องเซซวนไปหาคนหมู่มากแล้วก็ไปพูดเสียดสีคนอื่นไปพูดกระทบกระแทกคนอื่นเข้าไว อา้าวคนอื่นก็มีกิเลสจะก็อดไม่ได้ก็ตอบโต้กันไปหน่อยหนึ่งก็ประหัตประหารกันไปพวนี้นะอ่ก็เจ็บก็ตายกันลองคิดดูสิการทำความชั่วนี้นะมันเป็นเรื่องเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งในโลกนี้โลกหน้าทั้งนั้นเลยอม อันบุรีก็เหมือนกันนะบุรีนี่ก็ยังชั่วหน่อยกว่าของเสพติดอย่างอื่นพอสูบไปแล้วมันก็ไม่เมาถึงกับว่าได้ไปทุบไปตีไปด่าว่าคนอื่นแต่มาหนักชิบเงะาะสิผายเงินทองที่ไปเที่ยวซื้อบุรีมาสูบนั่นแหละโดยไม่มีประโยชน์เดีว๋วจ่ายเงินจ่ายทองไปแล้วไม่มีประโยชน์ ประโยยังไงบุรี่มาให้โทษอนะ่ะสูดเอาควันมันเข้าไปในตับในปอดมันก็ไปทําลายตับปอดให้เสื่อมคุณภาพลงไปก็เป็นโรคปอดเป็นโรคตับเป็นโรคหัวใจก็มีแต่หอบแต่หืดมีแต่ไอมีแต่เหนื่อยอวนเข้าไปเรื่อยๆแหละคนเป็นมีอวัยวะภายในโรคไครครอบงาำเบียดเบียนได้ ก็ไม่มีกำลังวางชาอะไรไปไปก็ตายเท่านั้นเองอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจึงว่าที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้นี่แสดงว่าพราะองค์ทรงเมตตาสงสารสัตว์โลกไม่อยากให้สัตว์โลกนั้นเป็นทุกข์เกิดนรกนั น, นนะจึงได้ทรงบัญญัติห้ามไว้แต่ทรงบัญญัติห้ามเฉยๆถ้าใครไม่ปฏิบัติตาม ล่วงเกินแล้วอย่างนี้พระองค์ก็ไม่บ้าอะไรอะ่ะแล้วก็ไม่มีบทลงโทษเหมือนกฎหมายบ้านเมืองเวียนเสียใจว่าล่วงศีลบางข้อแล้วมันไปผิดกฎหมายบ้านเมืองอย่างนี้เจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองเขาก็ต้องจัดการแน่นอนค้องร้องกันไปลงโทษลงกรงกันไปตามความผิดนั้ น, น, นอันบูนี่นะ ถ้าปัญญาชนผู้มีปัญญาแล้วเพ่งพิจารณาดูให้ละเอีดทีท่วนแล้วมันก็เบื่อหน่ายเลอเบื่อหน่ายไม่ฝ่าถนาจะทำมันต่อไปแล้วเพราะว่ามันเป็นการเบียดเบียนทั้งตนทั้งผู้อื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เป็นร้อนการกระทำกรรมชั่วห้าอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าหลายอย่างก็ดี ไอ้เรื่องอย่างนี้นี่คนส่วนมากพอได้ยินได้ฟังแล้วก็ท้อใจว่าอเออเรานี่มันคงจะปฏิบัติตามไม่ได้หรอกมันปฏิเสธในใจไวๆไปเลยอย่างนี้ส่วนมากเป็นอย่างนั้นเละไม่ยอมปฏิบัติตามเลยเหตุนั้นเราจะฟังทำสักกี่กันมันก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะใจมันปฏิเสธน่ะไม่ยอมรับอ่ะอเบงั้น ผู้ใดฟังไปแล้วท่านที่แจ้งเหตุผลถูกฟังแล้วเห็นตามเออจริงนะถ้าไปล่วงพุทธัญัติเหล่านั้นแล้วจะต้องได้รับทุกทางในปัจจุบันเบื้องหน้าแน่นอนเลยมันเห็นตามอย่างนั้นแล้วผูดนั้นมันก็ละได้แล้ววันนี้นะเว้นได้เลยอืมเป็นอย่างนั้นมันมาคาความชั่วนี่แหละคนเรานะ ที่จะพ้นทุกไปไม่ได้นะไม่ใช่อื่นไกลอะไรนะหาความชั่วจริงๆต่างแต่ว่าความชั่วนั้นอยากกัวกันละเอียดก่วกันเท่านั้นเองเนี่ยบางคนก็นละความชั่วยหยาบนั้นได้เอ้าไปติดอยู่ในความชั่วย่างกลางอย่างนี้เมื่อไปติดอยู่ในความชั่วอย่างกลาง แล้วก็ติดอยู่ในความชั่วอย่างละเอียดไปด้วยความชั่วอย่างกลางอย่างละเอียดเหล่านี้ก็พาให้เกิดแก่เจ็บตายไปในภพในชาติเหมือนกันแต่ว่าหากเกิดดีหน่อยเท่านั้นแหละอืเพราะบุคคลผู้ที่มีความชั่วอย่างกลางอยู่ในใจนี่ไม่ได้ทำบากละบาปมาแล้ว กิเลสอย่างงาบแนละ้วมันดับไปแล้วมันก็ไม่ทําบาปกับคนเรานะแต่อย่างนั้นเหลือกิเลสอย่างกลางนี่มันก็เพียงแต่มารบกวนจิตใจเศร้าหมองคุณมัวไปอืแต่ท่านก็ว่าเป็นบาปนั่นแหละแต่ว่าบาปไม่รุนแรงขนาดกลางหมายความว่าอย่างนั้นอืมขนาดกลางนี่ก็พาให้เกิดแก่เจ็บตายแหละถ้าบุคคลละ บาปอย่างงาบได้แล้วเช่นนี้ยังเสบบาปอย่างคลางอย่างละเอียดก็พาให้เกิดแก่เจิใตายไปในสงสารแต่ไม่ได้ไปอบายภูมิไม่ได้ไปตกนรกไม่ได้ไปเป็นเปรตไม่ได้เป็นอสุรกายไม่ได้ไปเกิดในกำเนิดสัตยริชานเกิดไปชาติใดก็ไปเกิดในิทนที่ดีโดยมากบุญกุศลก็โดนบันดาลให้ไปเกิด ในยุคสมัยที่มีพระพุทธเจ้าหรือมีพระประเจกพุทธเจ้าบางเกิดขึ้นในโลกไอคนผู้มีบุญบาสนานะ่ะมีกิเลสตัณหาอันหยาบซาลาโมกระงับไปแล้วอย่างนี้นะไอคนแต่ครั้งพุทธเจ้านั้นเพื่อนละกิเลสยำหยาบบาปอันรุนแรงดังกล่าวมาแล้วนั้น ได้มาแต่ก่อนแล้วเพื่อนมีแต่กิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดเท่านั้นนํามาเกิดในโลกนี้บุญกุศลที่เพื่อนทำมาแต่ก่อนนั้นนําให้มาเกิดในยุคในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกอืมแล้วบุญกุศลอนั้นขอ ได้ยินได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกแล้วเท่านี้แหละจิต ใ, ใจมันเชื่อเลื่อมใสขึ้นมาเลยเพราะมันเคยเลื่อมใสนับถือพระพุทธเจ้ามาแต่ชาติก่อนเป็นทุนเป็นรอนมาแล้วดป็นอย่างนั้นแม้นอยู่ไกลภายใดก็พาชักชวนกันไปเฝ้าไปกราบไปทำบุญทำทานดยฟังธรรม คนเหล่านั้นเรียกว่าอินทรีย์เป็นแก่กล้าสมควรดีเดียวก็สามารถได้บรรลุมรรคธรรมวิเศษได้ขั้นใดขั้นหนึ่งทำวาสนาบา ร, รมีของสนถ้าบุญกุศลยังไม่เข้าขั้นที่จะได้บรรลุมรรคธรรมวิเศษก็จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจในหนทางที่ถูกต้อง เข้าใจในข้อวัดปฏิบัติที่ถูกต้องไม่เข้าใจผิดไปเพราะว่าลัทธิที่สอนผิดๆมีอยู่ในโลกนี้นะดังนั้นคนผู้มีบุญถึงแม้จะหลงผิดไปก็หลงไปอยู่ทั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเมื่อได้พบพระพุทธเจ้าได้พบสาวกของพระองค์ แล้วได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็สามารถรู้ได้เลยรู้ว่าโอ้นี่เราเดินทางผิดแล้วผิดทางแล้วอย่างี้ทางนี้จึงทางถูกทางการละความชั่วทำความดีนี้นะนี่เป็นทางถูกไอ้ทางไปอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงมาดลบันดาลให้มีความสุขความเจริญให้พ้นจากทุกข์จากภัยอย่างนู้นอย่างนี้นัน มันเป็นทางผิดซะแล้วเมื่อได้ฟังคําสอนมุสลิมเจ้ามันรู้ได้เลยมเมื่อผูดด้ใดรู้ได้อย่างนั้นเขาก็ละเลยเคยฆ่าสัตว์ปัดชีวิตปูชายันเขาก็งดเว้นเลยแบบนี้รักษาศีลหายริสุทธิ์ไปอืมพอได้ฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วเขาก็เว้นจากบาปได้เด็ดขาดไปเลยตั้งหน้าทําได้บุญแต่กุศลไปแล้วแบบนี้นะ แม้จะเป็นคนยากคนจนก็ตามเมื่อมันเห็นแจ้งในทางที่ถูกต้องแล้วเขาก็ดําเนินไปทางที่ถูกนั้นไม่เดินไปทางที่ผิดไม่ทําชั่วไปอย่างนั้นคนที่หลงที่เมาเนี่ยไม่ยอมฟังคำสอนของพระเจ้าก็ไปซ่องสุมกันเป็นโจรเป็นขโมยวางแขนไปจี้ไปปล้นไปหลอกลวง ก็โกงวิ่งลาวเอาของของคนอื่นมาแบ่งกันใช้กันสอยแบ่งกันบริโภคไปวันวันอันนี้เรียกว่ามันหลงหลงทางเดินของชีวิตผู้ที่รู้ผลทางนี้ถูกต้องแล้วอย่างนี้พระพุทธเจ้าแสดงในองค์มรรค้นว่าสัมมารัมมันโตการทำการงานที่ชอบ สัมมาอาชีวเลี้ยงชีวิตชอบไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตทำการงานชอบนะครก็เรียกว่าการงานที่มันไม่ทำไปแล้วมันไม่ทำให้ผู้อื่นและสัตว์อื่นเดือด น, น mm hmm. เมื่อเป็นการงานที่ชอบแล้วมันก็เป็นหนนทางให้เกิดปุณเกิดกุศลยกตัวอย่างเช่นชาวนาตั้งใจทำนา ด้วยดีแล้วได้ข้าวมาก็เอามาสีมาหุงมานึง่งแล้วก็รับประทานบ้างทำบุญทำทานให้แก่พวกอื่นไปบ้างอย่างนี้นะนี่การทำการงานที่ชอบแล้วเราก็ได้บุญได้กุศลการให้ทานก็ถือว่าเป็นสัมมารกรรมมันโต เป็นการงานที่ชอบเป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ผู้อื่นไปสัมสมาอาชีวเลี้ยงชีวิตชอบไม่หลอกลวงใครเขาเลี้ยงชีวิตไม่ประหัสประหารสัตว์อื่นบุคคลอื่นมาเลี้ยงอัตราพร่างกายนี้แสวงหาเงินทองเข้าของ แต่ที่มันไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนได้เงินได้ทองอันบริสุทธิ์แล้วก็เอามาเลี้ยงชีวิตของตนเองแล้วก็เผื่อแผค่คนที่ควรให้คนบูชาบ้างอันนี้ท่านเรียกว่าสัมมาอาชีโวก็เป็นทางพ้นทุกข์สายหนึ่งในมักมีองค์แฝดประการก็ลองพิจารณาดูเป็นอย่างนี้แหละ สัมมาวาจการกล่าววาจาดีมีเป็นสัตว์เป็นธรรมกล่าววาจารพร้อมทั้งอัดทั้งพยัญชนะมีเหตุมีผลเพียงพอวาจาที่พูดนั้นผู้อื่นฟังแล้วได้ความรู้ความเข้าใจด้วยไม่ใช่ฟังแล้วเจ็บใจเจ็บกระดองใจ อย่างนี้อันนั้นจะชื่อว่าวาจาหยาบเป็นมิจฉาวาจาวาจาพิษกระลวนแต่เป็นทางพ้นทุกข์ทั้งนั้นเลยการกล่าววาจาชอบทีนะดังนั้นทุกคนขอเพึ่งหาดกล่าววาจาอ่อนหวานอ่อนโยนกล่าววาจาที่มีเหตุมีผลท่านนึกว่าเรื่องนี้ไม่มีเหตุผล ที่ควรจะไปพูดซ้ำซากปากหลายเสียเวลาก็นิ่งไปเลยไม่พูดเลยอย่างนั้นแหละคนฉลาดพูดนะบางคนน่ะพูดไปแล้วไม่ได้พิจารณาคำพูดของตนว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ไม่ได้คิดเลยว่าจะชอบใจจะพูดเรื่องอะไรแล้วก็พูดเรื่อยไป เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็ช่างนะอะอย่างนี้เรียกว่ามิจฉาวาจาวาจาพิษอย่างนั้นเมื่อบุคคลพูดอะไรไปมีสติอมกับไปพร้อมพิจารณาเรื่องที่พูดไปในเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็จึงพูดไปถ้าเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์แล้วก็งดพูดออ อย่างนี้จึงเรียกว่าสัมมาวาจาวาจาชอบเพราะนั้นทุกคนมีกายมีวาจาอย่างนี้แล้วก็รักษาเอาแต่รักษากายเจ่าวาจาอย่างเดียวไม่รักษาใจไม่ได้เพราะว่าใจนั้นเป็นประธานของกายวาจาอันนี้แสดง กิริยาความประพฤติถูกกันฟังวันนี้ต้นตอแห่งความประพฤติมันจะดีหรือจะชั่วมันอยู่ที่ดวงจิตตวงนี้อ่นี่แหละทันเมื่อฝึกจิต ด, ดวงนี้ให้มันสงบระงับตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้แล้วไม่ให้มันตั้งมั่นอยู่ในบาปแล้ว ทำอะไรมันก็เป็นประโยชน์ตนและวอื่นพูดอะไรมันก็เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไปเพราะว่าบุญคุณนี่แหละมันเป็นความดีความดีนี่แหละมันทำให้เกิดปัญญาทำให้จิตเฉลียวฉลาดรู้ว่าพูดทำอย่างนี้พูดอย่างนี้ถูกต้องเป็นประโยชน์มันรู้เร็วๆแล้วนะนะออมันรู้ไวๆทุกขณะจิตนั่นแหละ เช่นนี้แหละจึงเรียกว่าผู้ฉลาดพูดก็อาศัยอบรมจิตนี่แหละให้สงบระงับจากบาปอากุศลต่างๆดังกล่าวมาอมเมื่อจิตสงบระงับจากบาปอากุศลต่างๆนั้นแล้วปัญญามันก็ย่อมบังเกิดอืเช่นอย่างว่า เมื่อจิตสงบจากราคะคองมกำหนัดยินดีอย่างนี้นะเอา่ามันก็มีปัญญาที่ว่า น, นี้มันก็เห็นโทษของราคะคองมกำหนัดยินดีว่ามันเป็นเหตุให้เกิ ด, กดทุกข์อืคือทําจิตให้สงบลงไปแล้วจึงทบทว น, นดูเรื่องราคะคองมกำหนัดยินดีอย่างนี้นะอ๋อคองมกำหนัดยินดีมันเป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือน มันเป็นเหตุให้ทำบาภัยฆ่าสัตว์ลักทับประพฤติผิดในกรรมกราโมสาว่าดื่มสุราเมลัยคันชายาฝิ่นเนโรอินนี่เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้มันก็เบื่อราคะแล้ววะนี้ไม่เมื่อมันเบื่อแล้วมันก็ถอดถอนออกไปทีละน้อยละน้อยไปราคะกองกำหนัดดีนี่มันก็บาไปเบาไ ป, เ, าไปเป็นอย่างนั้นอืม เมื่อจิตสงบลงไปจากความอิจฉาพยาบาทความเกลียดชังต่างๆอย่างนี้แล้วมันมองพินาะดูโทษแห่งความเกลียดชังความพยาบาทเบียดเปลี่ยนซึ่งกันและกันนี่มันเป็นไปเพื่อทุกเพื่อโทษทั้งแก่ตนและผู้อื่นจริงๆเห็นด้วยปัญญาแล้วอย่างนี้มันก็ละความโกรธความพยาบาทได้ แม้แต่ความนึกนึดงุดเงิดขึ้นในใจกับบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งอนี้ก็ไม่ไม่ให้มันมีมหมายความว่าอย่างนั้นไม่ใช่ว่าปล่อยให้จิตโกรธุณเครื่องอย่างรุนแรงเพีย ง, งจึงรู้เรื่องว่ามันมีโทษจึงเรื่องรู้ว่ามันเป็นโทษแต่ปล่อยให้จิตได้รับอารมณ์อันไม่ชอบไม่ดีต่างๆแล้วเกิดงุดเงิดขึ้นในใจท่านี้ ไม่สำคัญว่าเป็นความโกรธไม่สำคัญว่ามีโทษอันนี้มันหยาบเนี่ยความรู้อันนี้มันยาบต้องเพ่งกิเลสทั้งหลายเหล่านี้นยะบุคคลจะละได้ก็เพราะการฝึกผลจิตใจให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษเสียก่อนเบื้องต้นนะ เมื่อรวมใจความนะเมื่อจิตบริสุทธิ์จากบาปจากโทษแล้ววันนี้มาเจริญสมาธิเข้าไปจิตใจมันก็รวมลงได้สงบลงได้เป็นอย่างนั้นเมื่อใจสงบลงได้แล้วถึงหยิบยกเรื่องโทษเรื่องภัยต่างๆความชั่วต่างๆความทุกข์ต่างๆดังกล่าวมานั้น มาวิ่งใช้ดูมันก็เห็นแจ้งเลยอราพอมันเห็นแจ้งแล้วมันก็เกิดนิพพทาเบื่อหน่ายเนี่ยคอยเข้าใจถ้ามันไม่เห็นแจ้งเลยปัญญาแล้วมันไม่เบื่อหน่ายนะอย่างนั้นมันก็ติดอยู่ในสมมุติแหละสมมุติว่าดีสมมุติว่าชั่วสมมุติว่าสวยสมมว่างามสมมติว่าขี้ร้าย อะไรต่างๆโมนี้นะนี่ติดอยู่ในแค่สมมุตินี่แหละถ้าหากว่าจิตใจไม่สงบปัญญาไม่เกิดแล้วนะมันสําคัญามีตัวมีตนมีเรามีเขาเข้าไปเป็นอย่างนั้นอันนี้สําคัญมากให้พากันใส่ใจพิจารณาให้มากๆเพราะว่าความจริงมีอยู่นี่นะ แต่จิตนี้มันไม่ค่อยยอมรับความจริงเหล่านี้เรื่องมันนะดังนั้นตัวเองจึงต้องขม่มตัวเองจึงต้องบังคับตัวเองจึงหาอุบายมาสอนตนเองให้ยอมรับความจริงเหล่านี้หมายความว่าอย่างนั้นที่พูดนี่นะไม่ใช่ว่าจิตนี่มันจะเบื่อหน่ายเอาง่ายง่ายเพียงแต่ได้ฟังคำสอน เท่านั้นแล้วมันจะเบื่อไปเลยอย่างนี้อันนั้นถ้าเป็นคนมีวาทนาบารมีแก่กล้ามันก็เบื่อได้จริงๆถ้าผู้มีวาทนาบารมียังอ่อนอยู่จะ น, นี่นะมันเบื่ อ, อยังไม่ได้เมื่อรู้แนวทางแล้วอย่างนี้ก็ลงมือปฏิบัติเพิกตนเข้าไป ฝึกตนเข้าไปให้เต็มความสามารถเลยอย่าไปย่อท้อว่าจิตมันไม่สงบจิตมันฟุ้งซ่านแล้วก็ท้อใจเสียอย่างนี้มันไม่ถูกต้องก็เพราะจิตมันไปสงบจิตมันฟุ้งซ่านนั่นแหละจึงต้องทำความเพียรให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าจิตมันสงบมันตั้งมั่นมันรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว ก็จะไปทําความเพียรทําไมอ่ะจะไปอดไปทนสู้ตาหลับขับตานอนยังไงอ่ะก็อยู่สบายสบายไปสินั่นแหละอันเพราะที่การจะทําความเพียร น, นี่ก็เนื่องมาแต่ตนเองนะ่ะไม่ได้มีความเพียรในยามละกิเลสมาแต่ชาติของหลังนูน่น กี่ชาติกี่พบที่ล่วงมาแล้วยอมเป็นทาสของกิเลสตัณหาอยู่อย่างนั้นหมาทุกชาติทุกภพบบางทีก็หลงไปทําบาปทํากรรมเข้าบาปกรรมก็นําไปสู่นรกทนทุกทรมานอยู่ในนรกนานแสนนานไอคนที่พ้นจากนรกมาแล้วมาเกิดนี่น่ะมันความรู้สึกมันหยาบมากมันทนทุกอยู่ในนรกนานแสนนานนี่น่ะ เหตุดังนั้นมันจะเป็นคนดีได้สันทีไม่ได้เลยนักปราชญ์ทั้งหลายจึงมีนะโยบายชักจูงคนที่ยังมีจิตใจหยาบอยู่แต่ว่ามีศรัทธาพอประมาณอย่างนี้นะเอาก็ชักจูงให้ทำบุญทำทานมีการก่อสร้างอะไรต่ออะไรขึ้นเหมือนอย่างนะโยบายที่วัดนี้ ได้คิดสร้างเจดีขึ้นมาอย่างนี้นะเพราะงานเจดีนี้เป็นงานใหญ่ก็ต้องมีการโฆษณนาให้รู้ให้คนหมู่มากได้รับรู้ด้วยผู้มีวาสนาบา ร, รมียังน้อยอยู่มันไม่สามารถจะปฏิบัติทางจิตใจให้สงบระ ง, งับให้กิเลสเปาวางได้อ่ามันก็ได้สละจัตุปัจจัยมาสมทบ คนสร้างเจดีย์นี้ไปก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยเพิ่มเติมขึ้นมาออกจากของเกา่าเมื่อเขาทำไปได้สมาคมกับผู้มีบุญวาสนาบารมีสูงเข้าไปเลจิตใจมันก็ค่อยสูงขึน้นก็ค่อยทำดีได้มากขึ้นเป็นอย่างนี้แหละ นโยบายการบำเพ็ญบุญกุศลในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญอนิสง์แห่งการสร้างเสนาสนะต่างๆไว้ในพุทธศาสนานี่มีอ น, นิสงส์สะผลมากม า, กายกายกองเพราะว่าพระภิกษุสามเณร หลือแม่ชีแม่ขาวอะไรก็ตามนะพู้เบื่อน่ายพอไปอยู่ในโลกแนละ้วมาบวชในวัดว า, าสนานี้มันก็จำเป็นต้องได้มีที่อยู่ที่อาศัยอย่างนี้ถ้าไม่มีที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็จะไปอยู่ได้ยังไงอ่ะถ้าถ้าดูแรงเนะี่ยอยู่ตามร่มไม้พออยู่ถ้าถ ด, ดูฝนบาเนี่ยไม่มีที่มุงที่บังกันฝนกันลมก็อยู่ไม่ได้เลยมันเป็นงนั้น ดังนั้นแหละไอ้เรื่องาศาสนวัตถุต่างๆเหล่านี้นะมันก็เป็นอุปกรณ์แห่งการบำเพ็ญบุญกุศลไม่น้อยเหมือนกันน ะ, ะมันเป็นอย่างนั้นเอิมมันต้องพิจารณาให้มันก่วงขวางออกไปบ้างการทำบุญเนี่ยดังนั้นผู้ที่มีศรัทธาสร้างเสนาสนะ ต่างๆให้เป็นที่อยู่อาศัยของวิสุทสามเณรอุบาสกวาสิกาอย่างนี้นะก็จึงชื่อว่าเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาไปได้ส่วนหนึ่งต่ออายุพุทธศาสนาให้ยืนยาวนานไปได้อีกส่วนหนึ่งแต่ผู้อยู่อาศัยวัดวาศาสนานี่แลเป็นผู้ระมัด ไม่ทำความเพียนลา ก, กิเลสให้น้อยเบาวางจากกิจใจอ้าวก็ก็ต้องได้ประสบสิ่งที่ไม่เป็นมงคลแหละคือประสบกับบาปไปหมายความว่า ง, างั้นเลยเราเดอาศัยปัจัยสีจากผู้อื่นอย่างนี้นะแล้วเป็นอยู่นี่แล้วไม่บำเพ็ญกุศลคุณงามความดีให้เจริญขึ้น ในตอนอย่างนี้เมื่อเมื่อไ่ทำคุณงามความดีมันก็ไปทำบาปแหละคนเรามันไปนอย่างนั้นจิตใจก็คุณมัวเศร้าหมองอเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะเอาคุณเอาบุญที่ไหนมาแบ่งส่วนให้แก่ผู้ประทับํำรุง อ, ะอ่ะอันนี้ยไม่มีก็ต้องเป็นนี่บุญนี่คุณของ ผู้เขาสละปัจจัยทั้งสี่มีอาหารเป็นต้นมาธานุบำรุงให้เข้าใจเพราะฉะนั้นการทำทานเนี่ย เ, เมื่อเมื่อบุคคลส่งเสริมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้ก็ชื่อว่ามีบุญกุศลมากได้สละเข้าน้ำโภชนะอาหาร ได้สละผ้านุ่งผ้าห่มออกไปได้สละจตุปัจจัยสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้เป็นทานได้หายุกหายาไปถวายพระภิกษุสามเณรอุบาสาิกาที่รักษาศีลฝึกตอนอยู่ในวัดวาอารามให้ทานได้อาศัยยุกยาบำบัดโรคภัยไข้ขเจ็บ หายไปแล้วจะได้มีโอกาสทําความเพียรละกิเลสต่อไปผู้คิดเห็นอย่างนี้แล้วได้ถาวายหยุกยาเป็นทานไปก็เป็นบุญกุศลอย่างมหาศาลเหมือนกันชื่อว่าได้ให้ชีวิตเป็นทานก็ว่าได้โรคบางอย่างข้าไม่ได้รับทานยาอย่างนี้ไม่หายนี่ถ้าได้รับประทานยาแล้วก็หายได้อย่างนี้นะ เช่นนี้แล้วผู้ให้ทานยาจะไม่ได้บุญหลายอย่างไรเล่าดังนั้นทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับทานมีสติระลึกได้ดังกล่าวมานี้แล้วถ้าตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญสาธนรกิจตามหน้าที่ของสงตนให้เต็มความสามารถแล้วเช่นนี้ต่างถ้อยๆยก็ ได้ไม่ได้เป็นหนี้บุญหนี้คุณของกันและกันบะนี้ก็ทดแทนบุญคุณของกันและกันไหวได้อก็เรียกว่าจูงกันไปสวรรค์จูงกันไปพนิพานแหละบะนี้นะอ่เราไม่ได้มัดติดอยู่แค่ปัจจัยสี่เท่านี้บะนี้ดังนั้นท่านยึงสอนให้พิจารณาบริโภคบริโภคปัจจัยสี่นี่นะ พิจารณาก่อนแล้วจึงบริโภคผ้านุ่งผ้าห่มวพี่นาทีกรให้รู้เท่ามันและตามไปจริงและจิงนุ่งหม่มที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันเนยพี่นาเพราะเราอยู่อาศัยสถานที่นี้เพื่อบาเพ็ญเพียรละกิเลสป่าพะธรรมให้หมดไปสิ้นไปจากกิจใจเราไม่อยู่ไม่ได้อยู่อาศัยเสนาสนะเหล่านี้เพื่อความสุข ทางร่างกายโดยส่วนเดียวหามีได้ร่างกายนี่จะอยู่ในที่ละโหฐานอยู่ในที่โอถงอยู่ในที่นุ่มนิ่มถักเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องถือสันุถีตามมีตามได้ในเสนาสนะที่อยู่อาศัย ได้อยู่ที่อย่างไรที่เขาจัดให้ก็ไม่ต้องน่อยเนื้อตำใจแ็ยินดีอยู่รักษาทาความสะอาดที่อยู่ที่อาศัยให้ดีไม่ตกปกประกรกลุงลังอย่างนี้แล้วโทษมันก็ไม่มีการบริโภคปัจจัยสี่ของชาวบ้านคอยเข้าใจก็เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็น อุปกรณ์การบาเพ็ญสมถะวิปัสนาให้เจริญขึ้นในจิตใจเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยเราต้องศึกษาหาความรู้เสมอเสมออย่าพากันนิ่งนอนใจอย่างที่เคยแนะนำตักเตือนมาแล้วอันวิชาความรู้นี่รู้ไว้ใช้บ่าแบก นักปรารถท่านแสดงไว้ถูกแล้วผู้มีความรู้มากเท่าไรก็ไม่หนักไม่น่วงเลยยิ่งเบาใจซ้าเมื่อรู้จริงเห็นแจ้งได้เท่าไรยิ่งเบาใจมากเลยไม่ได้หนักน่วงเลยเป็นอย่างนั้นไอคนไม่มีความรู้นี่สิมันหนักใจหลายอะ่ะคิดอะไรก็ไม่ออกทำอะไรก็ไม่เป็น พูดอะไรก็ไม่เป็นอย่างนี้นะมันนึกถึงตัวเองเลยแล้วมันก็นึกน้อยเนื้อต่าใจอืมเป็นทุกข์ใจเนละอย่างนี้ผู้พูดเป็นเช่นนั้นก็นับว่ามีความเห็นสั้นไปแค่ไปเมื่อเราเมื่อรู้สึกตัวว่าตนไม่มีความรู้ความฉลาดแล้วเช่นนี้ก็ จับหนังสือเข้าสิท่องบนจดจำเราเรียนเอาให้ได้สิไม่ได้วันละหลายๆก็ให้ได้วันละน้อยก็เอาแต่ เ, เราเรียนไปไม่ท่อไม่ถอยวันละน้อย น, น้อยนานวันไปมันก็หลายขึ้นสิความรู้นั้นอย่างนี้คิดได้อย่างนี้จึงชื่อว่าคิดถูกต้องขอให้เข้าใจ บางคนรู้ว่าตนสมองทึบเรียนอะไรก็ไม่ได้แ้วก็หยุดเสียไม่เรียนไม่ท่องไม่จำอย่างนี้นะอันนี้เห็นผิดไปชีวิตของคนนั้นก็อับเฉาไปทุกชาติทุกครบรเละเกิดไปพบได้ชาติใดก็เป็นคนไม่รู้ไม่ชี้ไม่เฉลียวฉลาดอยู่อย่างนั้นแหละจะอยู่ไปเฉยๆจะให้มันรู้มันฉลาดขึ้นเองไม่มีทางของให้เข้าใจกันแล้วกันนะ ความรู้ความฉลาดมันต้องประกอบมันต้องภาคเปลียนก็ยังเคยพูดให้ฟังอยู่ทางที่ให้เกิดปัญญานะหนึ่งการเรียนการท่องการจำสองเมื่อเรียนท่องจำหลักสูตรวิชาความรูนน้นั้นได้แล้วโน้มเอาความรู้เอาหลักสูตรอนั้นเข้าไปพิจารณาอยู่ในใจนตีความหมายเห็นความรู้นั้นให้มันออกในทางปฏิบัติ ว่าธรรมะข้อนี้ท่านสอนให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นให้ทําใจอย่างนั้นอย่างงี้นะวิในข้อนี้ท่านให้เว้นอย่างนั้นไม่ให้ทําอย่างนั้นไม่ให้พูดอย่างนั้นเหตุที่ห้ามนั้นเพราะเมื่อทําไปพูดไปแล้วมันจะกัดทบกระทั่งคนอื่นให้เป็นทุกเดือดนอน เ, อเรื่องวินัยนี่นะแล้วมันจะ สั่งสมกิเลสให้แหนหนาแน่นขึ้นในจิตสันดานเนี่ยพิจารณาให้มันเห็นคุณของวินัยข้อพุทธบัญญัติต่างๆอย่างนี้มันก็ยินดีปฏิบาททาัติตามสิ่บบนี้นะความเห็นคุณโอ้อจริงถ้าสำรวจระ ว, วังไม่ล่วงวินัยเหล่านี้แล้วความชั่วก็จะไม่เกิดขึ้นที่กายวาจาใจของตนเล ย, ยก็จะมีแต่คุณความดี บังเกิดขึ้นแทนอย่างนี้พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ยินดีแหละเคารพปฏิบัติตามพระวินัยนี่ธรรมะนี่เป็นเครื่องขัดเกลวอจิตสันดานให้จากความคุณมัวเต้าหมองให้ผ่องใสสะอาดเหมือนอย่างสบู่หรือโขงซักฟอกซึ่งแช่ซักกอบผ้าพรที่เปื้อนด้วย พิงสกกระโปรต่างให้ให้ออกไปจากผ้านั้นทำผ้านั้นให้ขาวสะอาดตามเดิมดปกติของจิตนี่มันพ่องใสมาอยู่แต่เดิมเหตุที่มันเศร้าหมองขุ่นมัวก็เพาะมีอุปกิเลสต่างๆเนี่ยเพราะว่าดวงจิตตรงนี้แหละสร้างกิเลสราคะโทสะโมหะขึ้น รอบงามตัวเองให้เต้ามองคุณมัวว่าอย่างนี้มันจึงชัดอย่าไปโทษคนอื่นว่ามาทำให้ตนเกิดความรักความใข่มาทำให้ตนเกิดความโกรธความเกลียดอะไรต่ออะไรคนอื่นมายุให้ตนหลงอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นผิดไปโทษคนอื่นน่ะที่ถูกต้องต้องโทษตัวเองตัวเองนี่แหละ เมื่อตาได้เห็นรูปสวยๆงามๆจิตมันก็คิดรักใครขึ้นมาอะยรอย่างงี้นะแล้วจะไปโทษรูปนั้นเป็นเหตุก็ให้เรารักใครอย่างนี้ไม่ได้ก็ ร, รูปนั้นมันไม่ได้ประกาศตัวเองว่าฉันนี่แหละสวยงามจงมารักฉันเถิดอย่างนี้มันไม่ได้ว่าเลยนะรูปนั้นนะมันก็สักกว่าแต่รูปอยู่เฉยๆจิตนี่สิไปตู่มันน่ะอืม เป็ตัวว่ามันชวยมันงามมันน่ารักน่าใคร่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่เมื่อผู้ใดทวนกระแสเข้ามาหาจิตนี่มาโทษจิตดวงนี้แหละเออเป็นกับจิตแท้แท้เมื่อเมื่อจิตดวงนี้ไปไม่ไปตูวรูปเสียงต่างๆเหล่านั้นแล้วเช่นนี้นีน่ความรักมันก็ไม่เกิดขึ้นความชังมันก็ไม่เกิดขึ้นในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้นั้น เป็นอย่างนี้เรื่องนะดังนั้นก็เคยแนะนำสั่งสอนมาให้รู้จักทวนกะระแสจิตนี่นะจำไว้ให้ดีทุกคนน่ะเมื่อมีเรื่องอะไรอารมณ์อะไรกระทบมาทางตาทางหูเป็นต้นอย่างว่านี่นะสติต้องวิ่งเข้าไปหาจิตความรู้สึกอันนั้ น, น แล้วกาหนดพิจารณาได้บะนี้เมื่อสติเข้าไปควบคุมจิตได้ตั้งมันแลอ๋อรูปอันนั้นรูปนั้นอันนี้รูปนี้รูปทั้งหมดก็สาววแต่รูปนะมันไม่ใช่สาาัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรหรอกเมื่อจิตมันลึกได้อย่างนี้แล้วมันมันก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรออกมาอะไรบะนี่นะมันจะรักก็ไม่รักมันจะชังก็ไม่ชังบะนี้ เพราะมันเป็นแต่เพียงสาภาวะธาตุเท่านั้นรูปทั้งหลายไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลจริงจังเหมือนอย่างที่สมมติกันมาไม่มีสมมุติกันเพื่อจะได้ติดต่อสังคมกันเท่านั้นเองเนี่ยพอให้รู้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องไปไหนมาไหนอยู่ไหนอะไรเท่านั้นเองนพอให้รู้กันเท่านั้นแหละ แต่รูปนี่มันไม่ได้ประกาศว่ามันเป็นเขาเป็นเรามันเป็นสัตว์เป็นบุคคลอะไรมันไม่ว่าเลยนี่นะจิตตังหากบังคับให้วาจากล่าวว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้มนี่นะจิตต่างหากนี่บังคับให้วาจาพูดออกไปแล้วจิตเป็นผู้บังคับให้วาจาพูดออกไปแล้วจิตก็ไปหลงหานี่ ไปหลงคำพูดอันนั้นซะแล้วพูดออกมาว่าคนนั้นดีนะคนนี้ชั่วนะเอา้าถ้าไปว่าคนนั้นดีนะก็ไปหลงยินดีกับคนนั้นแล้วถ้าไปว่าคนนั้นนะชั่วนะก็ไปยินร้ายกับคนนั้นแล้วไม่พอใจกับคนนั้นแล้วอย่างนี้นะนี่แล้วว่าจิตมันหลงสมมตุติเข้าใจถ้าว่าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ มันก็รู้สักแต่ว่าสมมุติเท่านั้นเองวันนี้นะที่ว่าดีว่าชั่วก็สมมุติเฉยๆแต่ว่าสมมุตินันมันก็มีจริงไงมันชั่วจริงแหละแต่ว่าความชั่วนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาหมายเขาว่าอย่างั้นไอความดีอันนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราหมายเขาว่าอย่างนั้นเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าสมมุติสัจจะอันสมมุตินี่มันก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งแต่มันไม่ใช่เขาไม่ใช่เรา ต้องให้เข้าใจให้มันลึกเข้าไปอย่างนี้แล้วมันจึงจะไม่หลงมเมื่อมันไม่หลงอย่างนี้เราจะสังคมกันได้มันก็ไม่มีโทษอะไรอ่ะอเราผู้รู้ทั้งหลายท่านสังคมกันพูดไปแล้วกว็เลี้ยวไปไม่ถือมั่นในเรื่องที่พูดมไม่ถือมั่นในกิริยาท่าทางเ่างสั่งพูดแล้วกว็เลี้ยวไปทำแล้วกว็เลี้ยวไป กำหนดเอาแต่ความรู้อันเป็นปัจจุบันนี่อยู่ความรู้อันเป็นปัจจุบันนี่กําหนดรู้ว่าไม่ยึดถืออะไรไม่ติดติ่งข้องอะไรกําหนดรู้อยู่ในเห็นว่าเรื่องที่คิดเรื่องที่พูดเรื่องที่ปารบเรื่องที่กระทำไปหมดนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่นั่นนี่ไม่เห็นมีอะไรเป็นแก่นเป็นฐานเป็นตัวเป็นตนเลย อย่างนี้แหละถึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ฝึกตนดันโตเสษท่อมนุษย์เทษสุในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกผลตนให้ดีเป็นผู้ประเสริฐสุด